อาทีนี้ข้อสามนะการเข้าถึงความเป็นสิทธ์อย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นอันเทวาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าศิสภาวูปัคมณะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์คือธรรมดาสิทธิ์นะอาจารย์บอกอะไรก็ทําหมดใช่ไหมบอกว่าเนี่ยไปตักน้ามานะอ่าไปแล้วก็ก็ก็กกกไปล้วนี้เอานี้ไปท่องนะทําตามหมดเลย ตรงนี้ก็เหมือนกันเอาพ ร, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรอันนี้เอาตามหมดเลยอ่ลักษณะนี้เป็นอันเทวาสิษยแต่ถ้าหากว่าสมัครเป็นลูกศิษย์แต่ไม่ทําตามสักอย่างนี่นะจะไม่รู้จะเรียกว่าศิษย์เป็นยังไงก็ไม่รู้แชั้นใดก็ดีการที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนคอยบอกทุกอย่างเลยนะถ้าพระองค์บอกว่าอย่าแบ่งอุจกุศลเสียงดังขึ้นททีนนะอย่านะเราก็อย่าแบ่งตามเดี๋ยวเป็นอบัตอยงเนี้ย คือถ้ายอมทําตามในขนาดนั้นน่ะก็ถือว่าปฏิบัติตามโอวาทปฏิบัติตามทำตามวินัยตามคําสอนโดยที่สุดแม้แต่ท่านความคิดอ่ะพระุทธเจ้าบอกว่าเธออยากคิดอย่างนี้นะก็ไม่คิดอะ่ะนี่มันเป็นอาคุส ล, ลวิตกนะอย่าปล่อยให้ความคิดครอบงําท่วมทับเธอนั่นแหละเราขี้ตามท่านหมดเลยลักษณะนี้แหละเป็นลูกศิษย์ตัวตัวอย่างชัดๆหน่อยครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยาคิดนะเธออย่างนี้จงคิดอย่างนั้นนะเจริญพร ก็อย่างเช่นพระเนี่ยอากุศลวิตกอย่างนี้ใช่ไหมอกุศลวิตกถ้าโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นนะไปปล่อยให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยพระ อ, องค์ห้ามอย่าไปคิดนะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์หรืออย่างเช่นในอธิตะปริยัจสูตรใช่ไหมบอกถ้าหากว่าเธออาศัยจักษุมองเห็นรูปแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทําให้บาปอากุศลเนี่ย เอากันไกลหรือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะมะควานเอาตาออกยังจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเธอที่ไปเห็นถือโดยนิมิตอายุพยัญชนะเนี่ยมันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโลพาโทสะทีนี้ถ้าโลพาโทสะอันนี้เกิดขึ้นนะคติสองของผู้ที่จิตเศร้ามองแบบนี้ก็คือนรกกับเดราชานเพราะฉะนั้นจึงพอองศ์จึงบอกว่าอการเอาตาออกอยังดีกว่าแต่ไม่ใช่แปลว่าพระ อ, องค์เนี่ยให้ไปแค่ตาทิ้งนะแต่เล่าให้ฟังลักษณะ เพื่ออุปมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าทุกโทษของการที่จิตไปเป็นบาปเป็นอกุศลในขณะทางตาที่เห็นนั่นแหละอันพระองค์นี่คอยเตือนทุกทุกอย่างเลยจ้ะค่านทีนี้สิทธิ์ที่ดีเขาก็ทําตามอ่ะนะคือถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหรปุปร๊บเราก็สังวร อ, อ่าถ้าเผลอไปพุทธเจ้าบอกว่าเธอเพึงอธิษฐานว่าจะไม่ปล่อยให้มันคิดอย่างนี้อีกต่อไปแล้วก็อธิษฐานนะเหมือนกับกับสอนพระสูตรที่สอนพระรางหล ว่าถ้าหากว่าเธอเนี่ยปล่อยให้ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะเกิดขึ้นเธออธิษฐานว่าเราจะไม่คิดอย่างนี้ต่อไปอีกเรากเ็เราจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปนะก็อินทรีย์สังวรนี่มันอยู่อยู่ในขั้นศีลไม่ใช่หรอครับเจริญพรใช่ันการอธิษฐานนั้นก็เป็นประเภทอินทรีย์สังวร น, นั่นแหละถ้าหากว่าตามมองเห็นปั๊บปล่อยให้ใจไปเป็นบาปคล้ายๆเห็นแล้วเพลินไปตั้งสินาทีนึกขึ้นได้ ที่ถามว่าจะไม่ปล่อยให้มันเพลินแบบนี้อีกจะไม่ให้บาปอากุศลมันเกิดลักษณะไหลไปแบบนี้อีกก็คือนับหนึ่งใหม่ด้วยอ่ะก็เหมือนกับพระวินัยบัญญัติเนี่ยถ้ายังล่วงละเมิดอยู่ก็ทํำยังไงก็แสดงคืนน่ะเพราะว่าวินัยบางอย่างมันเป็นพเพราะเผลอทีนี้ถ้าเผลอแล้วทํำยังไงได้ก็ต้องแสดงคืนชั้นใดก็ดีในทางอินทรีย์สังวรก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามองเห็นปั๊บใจไปเป็นบาปหูได้ยินเสียงแล้วปล่อยให้ใจไปเป็นบาป อย่างนี้เราก็สังวรอธิษฐานใหม่ไปเรื่อยนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยไปครับที่รีวจเจตสิกปิตินอันนี้ก็เป็นเจตสิกสีนเหมือนกันเชิญทานหมายความว่าถ้าเห็นแล้วจิตเป็นอกุศลนี่ใช่ไหมครับเชิญทานแล้วเราก็ส<ช>ังวรด้วยสติหลายหายอย่างใช่ไหมคือถ้าขณะที่มีสติจริงๆเนี่ยนะอกุศลมันก็ไม่เกิดใช่ไหมในขณะที่มองเห็นสติคือถ้าสติเกิดนะจะไม่ถือโดยนิมิต ไม่ถือโดยอนุพยัญชนะอาถือโดยนิมิตคือสุภาพนิมิตไม่ถือโดยความงาม 2. ปฏิฆานิมิตปฏิฆาแปลว่าขัดเครืองใช่ไหมนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเครืองและไม่ถือโดยอุเบกานิมิตอาการที่จิตไม่ถือโดยสุภาพนิมิตปฏิฆานิมิตอุเบกานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติโดยการปรารบกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับสมมติว่าพระอนุนเนี่ยถามพระผู้มีพระภาคก่อนแบบจัปรินิพานว่าพิกสูทั้งหลายควรจะปฏิบัติในผู้หญิงยังไงภูษยาตอบเลยนะชัดเจนแจ่มใสบอกยาเห็นอนุ น, น, นถ้าจำเป็นต้องเห็นแล้วพระเจ้าข่าอย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติเอาไว้ให้ดีถามว่าตั้งสติตั้งยังไง ก็ท่านอธิบายว่าถ้าหากว่าเขาในปูนแม่ก็คิดเหมือนกําลังคุยกับแม่ถ้าเขาในปูนพี่ก็ต้องเหมือนกําลังคนสนทนากับพี่อยู่กับน้องต้องเหมือนกับกําลังพูดกับน้องอลักษณะนี้นะเรียกว่าตั้งสติเอาไว้ให้ดีคือไม่ให้มันคิดเลยเถิดก็แสดงว่าการตั้งสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของโยนิสวมนาสิกาใช่ไหมครับจเจนป็นอัตตาสัมมาปณิธิใช่ไหมครับเจ ท, ที่พระองค์ทรงให้ตั้งไว้เนี่ยให้คิดอย่างนี้นะ นี่เป็นตัวอย่างของอินทรีสังวรเจนทอนถ้าไม่คิดถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็เลยเถิดไปเรื่อยมันก็เลยเลยเลยเลยจากมันก็เป็นอื่นไปนะให้คิดใหม่ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็มาถ้าว่าเราก็คิดในเรื่องกุศนหมดเจนทอนให้ตั้งไว้ให้ดีนี่เป็นอะไรสังวรใช่ไหมอินทรีสังวรใช่ไหมเป็นอินทรียสังวรด้วยแล้วก็เป็นถ้าหากว่าสังวรตั้งแต่ศีลสังวรแล้วเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องเห็นเนี่ยหรือจะต้องเกี่ยวข้องกับยอมผู้หญิงเกี่ยวข้องยังไงจร ก็ไล่ตั้งแต่ปราชิกเกี่ยวข้องยังไงจึงไม่เป็นปราชิกก็ลดลงมาอีกเกี่ยวข้องยังไงจึงไม่เป็นสังขาธิเศษเกี่ยวข้องยังไงจึงไม่เป็นข้อเกี่ยวบอนิยต์เกี่ยวข้องยังไงไม่เป็นธุรจารเกี่ยวข้องยังไงไม่เป็นอาบัติปารจิตีเกี่ยวข้องยังไงไม่เป็นอาบัติทุกฏเกี่ยวข้องยังไงไม่เป็นอาบัติทุกพาสิตนั่นแหละนี่นี้โดยโดยพระวินัยเมื่อถูกวินัยอย่างนี้เข้าวินัยเนี่ยไม่ถึงจะไม่ได้ถึงลักษณะห้ามถึงความคิดด้วยทีนี้จะคิดยังไงไม่ให้มัน รักษาวินัยเหล่านั้นไว้ด้วยต่อไปได้หมายความว่าในศีลขั้นต้นเนี่ยเป็นเรื่องของวิรัต์ทางกายวาจาเท่านั้นใช่ไหมครับเฉแต่ว่าทางใจนั้นต้องมาอินทรียสังวรมาที่อินทรียสังวรครับเข้าใจครับนี้ต่อไปข้อหนึ่งนะการนอบน้อมอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอทําการอภิวาทอภิวาสแปล ว, ว่ากราบ ง, งามๆนั่นแหละการต้อนรับอัญชลีกรรม และสามีจีกรรมสามีก็คือการปฏิบัติชอบนะแก่วัตถุทั้งสามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้ชื่อว่าปณิตาตะการนอบน้อมคือถ้าจะกราบก็กราบพระพุทธเจ้าอ่ะนะกราบแบบเคารพอย่างสูงสุดสุดยอดอะ่ะหรือต้อนรับแบบสุดยอดจริงๆก็ต้อนรับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อัญชลีกรรมสามีจีกรรมเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราเราต้องให้บริการคนทั่วไปอยู่แล้วเนี่ย เราก็บริการพระพุทธเจ้านี่ถือว่าอันดับหนึ่งพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยบริการรับใช้ท่านทุกอย่างนอบน้อมอภิวาทต้อนรับอย่างดีเลยนั่นแหละแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่แต่แต่ให้เห็นว่าลักษณะของผู้ที่ถึงสารณะเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรจริงอยู่ผู้ทำการสี่อย่างนี้เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นอันถือสารณะแล้วทีเดียว คนที่ปฏิบัติในสข้อข้อใดข้อหนึ่งเลยนะตั้งแต่ข้อหนึ่งการมอบกายถวายตนข้อสองมีพระตนะตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อสการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ข้อ4การนอบน้อม4อี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชื่อว่าถึงสารณะเคยสมมตินะเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระหรือกราบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เคยมีความปราบเริ่มปีติโอ้รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลงไปเนี่ยทุกการมีบ่อยไหมไม่บ่อยอ่ะแต่หหลราขครบ่อยบ้างยกมือดิเออนี่คนมีบุญนะสา ธ, สาธุสาธุสาธุเ <c oughs> ือเวลากราบพระที่ใ <c oughs> ดที่หนึ่งหรืออะไรก็ตามเถอะเวลานึกหงเรานี่รู้สึกโชคดีจริงๆเลยได้นับถือพระพุทธเจ้าอ่ะออ โอกาสอันนี้วิเศษเหลือเกินเนี่ยลักษณะนี้แหละลักษณะของคนที่ถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะถ้าไม่มีก็ไม่เชิงนะถ้าสมมุติเราไปยังสังเวชนีสถานนะฮะบางคร <พอ S 2> ั้งบางคราวก็มีอยู่เช่นานะครับ <พอ S 2> ก, ก็เคยมีบ้างแต่ว่าไม่มีก็ไม่เชิงอันนี้ถ้าตั้งใจก็เป็นได้นะถ้าตั้งใจสำเนียกว่าพระตะระตรายเนี่ยคือแก้วอันประเสริฐมีค่าสูงสุดมังนงั้นแท้ ยังกินจีวิตตังอิทาวาหุรังวาสักเคสวาอย่างรัตนังตณีตังนะก็บอกว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่มีอยู่ในโลกหรือในสวรรค์รัตนะนั้นที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเขาบอกว่าบรรดาแก้วอันประเสริฐสูงสุดของที่ดีที่สุดเนี่ยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ที่ลักษณะนี้ก็จะทําให้รู้สึกเคารพนอบน้อมมันคล้ายๆกับเราได้เพชรได้พลอยใช่ไหมโอ้โหแอบเก็บถนอมได้อย่างดีเลยนะ ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องแม้แต่จะดูนี่ก็ยังแอบแอบุกๆเลยคือหวงมากเลยชั้นใดก็ดีผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ลักษณะเดียวกันมีสภาพจิตที่เคารพอ่อนน้อมหึงหวงคล้ายๆแบบนั้นนะนะก็เหมือนกับอุบาสกคนหนึ่งใช่ไหมอุบาสกที่เป็นพวกช่างไม้อะที่เป็นคนใช้หรือคน รับราชการของพระเจ้าปเสนที่โกศลนะพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจากไปเนี่ยโหใจมันเป้าเลยนะเอาไปอีกแล้วเหลอโหยิ่งไปเรื่อยเรื่อเรนี่ยใจยเนี่ยห่อเหี่ยวไปเรื่อยเรยเแต่เมื่อไหร่ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเสด็จเข้ามาเนี่ยใจท่านชื้นขึ้นชื้นขึ้นชื้นขึ้ น, น, นในลักษณะนั้นนั่นคือการผู้ที่เป็นพระรยเจ้าแล้วก็ถึงสรณคมจริงๆจะเป็นในลักษณะนั้น มีมีข้อความมีมีมีข้อความอยู่ข้อความที่ว่ามีความยำเกรงด้วยนะสมมติว่าถ้าเราเคารพน้อมน้อมใครนะเรามีความยำเกรงทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่นะครับเจนทายท่านท่านเคยอ่านหนังสือไหมแล้วก็บังเอิญมันมันไปอยู่ตรงเท้าท่านเนี่ยเป็นพระธรรมเนี่ยท่านไม่กล้าเลยท่านต้องรีบยกท่านเคยบ่อยๆไหมท่านเคยไหมหรือท่านท่าฟังเทปแล้วเนี่ยท่านไม่ค่อยกล้าเราเอาเทปเทอมเอาไว้ตําๆอ่ะ <จ>เกินนี่เป็นเป็นความนอมน้อมเป็นความยำเกรงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเจนพและอย่างหนึ่งสมมติถ้าหากว่าผู้ที่เคารพคตธรรมเนี่ยเคารพยังไงหนึ่งนะฟังถ้าฟังก็ฟังด้วยความเคารพแปลว่าไม่หลับฟังสองนะถ้าจะเรียนก็เรียนด้วยความเคารพทรงจำด้วยความเคารพปฏิบัติตามด้วยความเคารพ ถามว่าปฏิบัติตามด้วยความเคารพทํำยังไงท่านบอกว่าการเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นแหละเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติด้วยความเคารพนั่นเป็นเหตุให้พระศัทธรรมตั้งมั่นก็คือความเคารพในพระธรรมนั่นเองทีนี้อีกในหนึ่งนะว่าพึงทราบการมอบกายถวายตนเนี่ยแม้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอสละตนสละชีวิตเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อพระธรรมเพื่อพระสง์ ทั้งตนทั้งชีวิตเป็นอันค้าพเจ้าสละแล้วทีเดียวโอ้แสดงว่าเอาจริงหน้าดูเลยนะชีวิตนี้เพื่อพระธรรมชีวิตนี้เพื่อพระพุทธเจ้าชีวิตนี้เพื่อพระสงฆ์นะถ้าผู้ที่ตั้งใจในลักษณะนี้เรียกว่าถึงสารณะแบบการมอบกายถวายตนส่วนที่เหลือนี่เป็นของพระพุทธเจ้ายมพวกาไา้ตั้งมาอย่างนั้นหรือยัง บางเรื่องตั้งกันอ ย, อย่างพระธรรมนี่นะฮะแจนบานถ้าจะใครมาบังคับให้ผมไปฆ่าสัตว์เวลานี้นะไอะนี่แกเอาไปแสนนึงอะ่ะแกฆ่าไอ้แมงสาบตัวนี้นีเอ๊ะไม่แน่นะอาจเชื่อผมไม่ได้นะอ๋ะออะไม่แน่นะอันนี้ศีล น, นะอันนี้ศีลก็ไม่รู้แล้วผมเชื่อผู้เจ้าอ่ะเจนบานอัน น, น, น, นี้อันนี้ศีลแล้วตอนนี <laughs> น้ถ้าสมมติ ว, ว่าจะให้ทําทุจริตอะไรสักอย่างนะฮ <laughs> แล้วตอบแทนด้วยเงินเป็นล้านๆอีก ผมคิดว่าคงจะซื้อผมยากหน่อยนะเชิ่ถ้าสมมติเราบอกว่าคุณลองด่าพระพุทธเจ้าสักคำหนึ่งจะให้สักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคือลักษณะเนี้ยนะที่เป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้อยู่แล้วเชินพ่ลักษณะของผู้ที่ไม่ได้สละอะไรเพื่อชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าอะไรเลยนะคล้ายๆกับว่าเงินื้อได้อะ <c ười> คือมองเป็นท ร, รัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จมีค่ากว่าพระพุทธเจ้า เออสมมติบอกคุณมานับถือฉันนะคุณเลิกนับถือพระพุทธเจ้าของคุณนะฉันจะให้คุณสักแสนหนึ่งอ่โอ้เปนะไปเอาเงินแสนก่อนแนละ้วค่อยมานับถือต่ อ, อย่งเงี้ยคือถ้าเป็นลักษณะนั้นก็แสดงว่า ง, งอนเงนคลอนแคลนเต็มทีละหรืออีกในหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอพระพุทธเจ้าจงเป็นที่ระลึกนะมีอะไรก็ลึกถึงท่านอ่ะคล้ายๆกับเราจะไปไหนสักแห่งหนึ่งก็นึกถึงคนที่เราเคารพ บ, บ, บ่อยๆใช่ไหม นี้ก็เหมือนกันเราจะทําอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงบ้างนึกถึงท่านก็ก่อนเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึก<า>เป็นที่ต้านทานและก็เป็นที่หลีเกเล่นทุกภัยของข้าพเจ้าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทุกอบา ย, ยทุกใช่ไหมทุกที่เป็นชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องทุกอันนี้ให้ถามว่าพระองค์จะแก้ให้เราได้ยังไงโหถ้าบอกว่าผู้ใดไม่ศึกษาพระธ<า>รรมก็ไม่ถึงพระพุทธอีกนี่แหละ เพราะว่าพระพูดพระธรรมพระสงนะถ้าโดยใจความแล้วก็อันเดียวกันทีนี้ต่อไปข้อสองว่าพึ่งเห็นการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์เสสภาวูปครรมะเนี่ยเหมือนการเข้าถึงสาระของพระมหากรสปะอย่างนี้ว่าเราพบภาษาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสุคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอ่าอย่างนี้เป็นลักษณะการถึงไตราสรารณคมของพระมาหากัะสปะในหัวข้อวสิษฐภาวูปะคะมณะอ่าก็อยากจะเอาข้อความเต็มๆในสังยุตติกายนิทานวัคอ่ากัะสปะสังยุตข้อ518จีวรสูตร สมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะอยู่ณ พ, นะพระเวลวันกาลันกะนิวาปสถานกรุงราชครึกก็สมัยนั้นท่านพระอ น, นุทิเยจาริกไปในทักคินาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ก็โดยสมัยนี้แลภิกษุผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านประมาณสามสิบรูปโดยมากยังเป็นนุ่มพากันลาศิขาเวียนมาเพื่อความเป็นหินเพศ คือสมัยนี้ข้อความอันนี้ตอนที่พระผู้มีพระภาคดับขันธปรินิพานไปแล้วนะเป็นข้อความที่ตอนที่ลูกศิษย์ของท่านพระนรเนี่ยลาศิกขาไปข้อความใ น, นอัตถกถาท่านอธิบายว่าเยภูเยนะกุมารภูต e าความว่าภิกษุเหล่านั้นใดชื่อว่าเวียนมาเพื่อความเป็นหินเพศภิกษุเหล่านั้นโดยมากเป็นเด็กหนุ่มยังอ่อน คือเป็นภิกษุพันศาเดียวสองพันศาและเป็นสามนเณรทีนี้ถามว่าก็เพราะเหตุไรเด็กเหล่านี้จึงบวชเพราะเหตุไรจึงเวียนมาเพื่อความเป็นหีนาเพศดังนี้หีนาแปลว่าศาสตร์ทำไมจะต้องไปเป็นคาราวสาต้องศึกษาลาเพศไปตอบว่าได้ยินว่ามารดาบิดาของเด็กนั้นคิดว่าพระอานนท์เถระเป็นผู้คุ้นเคยกับภษาสดาทูลขอพรแประการ ทูลขอพอรแปดอย่างแล้วจึงอุปถักตทั้งสามารถเพื่อจะพาเอาภาษาสดาไปยังสถานที่ที่ตนปรารถนาและตนปรารถนาได้เราทั้งหลายจึงให้พวกเด็กของพวกเราบวชในสำนักของพระอ น, น์นั้นพระอนน์นั้นก็จะพาภาษาสดามาเมื่อภาษาสดามาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้ทำศักระเป็นอันมากดังนี้พวกญาติของเด็กเหล่านั้นจึงให้เด็กเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเหตุนี้ก่อน แต่เมื่อพระศาสดาปรินิพานความปรารถนาของคนเหล่านั้นก็หมดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงให้เด็กเหล่านั้นศึกโดยแล้ววันสองวันเท่านั้นใช่ไหมก็แสดงว่าคนที่ให้บวชเนี่ยก็เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไม่ได้อยากบวชให้ลูกหลานเนี่ยไปได้ดีได้ดีในศาสนาอะไรเพียงแต่ท่านบวชแล้วก็จะทําให้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากขึ้นเอาลูกไปฝากไว้กับผ้าอนนลก็คุ้นกับผ้าอนน์แล้วให้ใหพ้าอนนลนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านให้ทิง ก็คือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกอะ่ะใครก็ใครก็อยากเลี้ยงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอะ่ะอยากจะทําทบุญกับพระพุทธเจ้าให้หาช่องอะไรที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าได้อย่างไงครั้งนั้นท่านพระอ น, นุ์เนี่ยเที่ยวจาริกไปตามชอบใจในทักคีนาคีรีชนบทแล้วกลับไปสู่พระเวลวันกันทกะนิวาปสถานกรุงราชครึกเข้าไปหาท่านพระมหากัะสปะถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วไหว้พระมหากระสปะนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระอ น, น์นั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระมหากัสสิยได้กล่าวปราศัยกับท่านพระอ น, นุ์ว่าอานนุ์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรน้อล่ะจึงทรงบัญญัติการขบฉันไว้สามหมวดในตระกูลไว้ทำไมจึงบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการฉันเนี่ยนะในคณะโพชนะสิกขาบท ท่านท่านนกล่าวว่าข้าแต่ท่านรักศะ ป, ปะผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สข้อจึงได้ทรงบัญญัติการขบฉันถึงสามหมดในตระกูลเข้าไว้คือเพื่อข่มคนหน้าด้านเพื่อให้ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นสุขและเพื่ออนุเคราะห์ตระกูลโดยเหตุที่พวกมีความปรารถนาลามกอาศัยสมัครพรกพวกแล้วจึง จะพึงทำลายสงให้แต่กันไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สมข้อเหล่านี้แลจึงได้บัญญัติการขบฉันถึงสามหมวดในตระกูลเข้าไว้ก็คือเหมือนอย่างข้อความในพระวินัยปิฎ ก, กะนะที่ที่เป็นปาติโมกของภิกษุเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งในโพชนาวั์ปาจิตติศิขาบทว่าเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตติในเพราะฉันเป็นหมู่นี้สมัยในเรื่องนั้นคือคราวอาพาธ คราวที่เป็นฤดูถวายจีวอนคราวที่ทำจีวอนคราวที่เดินทางไกลคราวที่โดยสารเรือไปคราวประชุมใหญ่คราวพัดของสมณะนี้สมัยในเรื่องนั้นอันก็คือสมัยที่พิสูุน์เนี่ยจะฉันเป็นหมู่เป็นคณะได้จะเหตุผลเหล่านี้คำว่าฉันเป็นหมู่ก็คื อ, อถ้าโยมเข้ามานิมนต์นิมนต์เอ่ยเชื่อโพชนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติแ้โยมผู้การจะเลี้ยงเพล หรือเลี้ยงเช้าอย่างเงี้ยบอกว่าไปถึงก็ไปนิมนต์เลยนิมนต์พระตุเทศว่าผมเนี่ยพรุ่งนี้จะเลี้ยงข้าวพระสักสี่รูปอย่างเงี้ยถ้าพระผู้ผู้รู้วิ น, นัยเขาจะไม่รับนั่นแหละเขาจะไม่รับเพราะว่าบอกว่าถ้าโยมนิมนต์อย่างเงี้เอาไปแค่สามรูปพอบอกว่าถ้าสี่รูปขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะถือว่านิมนต์แบบนี้เนี่ยไม่ไม่ตามพระวิ น, นัยคือถ้านิมนต์ลักษณะนี้ คือนิมนต์เอ่ยชื่อโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือนิมนต์เอ่ยชื่อข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อออกชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วนิมนต์ให้ไปฉันเนี่ยจะได้พระไปไม่เกิน3ามรูปพระจะไปนั่งฉันร่วมกันเนี่ยได้ไม่เกิน3ารูปแต่ถ้านิมนต์รับภิกษาอย่างเงี้ยได้เยอะเขาบอกว่าเป็นวินัยกรรมวินัยข้อนี้บัญญัติขึ้นตอนที่พระเทวทัตเนี่ยเที่ยวขออาหารชาวบ้านเขาแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ให้อาหารได้รวบรวมสมัครพรกพวกแล้วก็ทํา สังกเภทเพราะฉะนั้นพระอนุ์จึงกล่าวว่าเพื่ออนุเคราะห์ตระกูลโดยเหตุที่พวกมีความปรารถนาลามกอาศัยสมัครพรรคพวกแล้วจะพึงทำลายสงให้แตกกันไม่ได้พระองค์ก็เลยบัญญัติข้อนี้เอาไว้ถ้ามหกษสปะ ก, ก็กล่าวว่าอนุ์ผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเพื่อประโยชน์อะไรเล่าใช่ไหมพม่ากษัตริยนี่ตำหนี่พลานนท์เลยที่เที่ยวไปกับลูกศิษย์ที่30สิองค์ที่ศึกไปเนี่ยนะที่ว่าลูกศิษย์ชนิดนี้ห้อมล้อมมากมายมหศาศาลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเพราะลูกศิษย์เหล่านี้ไม่สังวรตาเลยตาเหมือนตาลิงเหมือนกันเดี๋ยวลอกแกลกล็อกแลกไปอย่างนั้นเนี่ยหูก็เที่ยวฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังปากก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ควรพูด เป็นไปกับเดรัฉานกถาสส่วนใหญ่ที่เป็นไปกับบาปกับอกุศลแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในโภชนะชั้นตะกะตะการเป็นต้นชั้นเกินคําว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะก็คือไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการบริโภคและไม่ประกอบความเพียรไอคําว่าเพียรก็คือสมปรทานนั่นเอง สมรภูมทานก็คือหนึ่งเพียรเพื่อละบาปอากุศลสองเพียรระวังเพื่อไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพียรเพื่อพอกพูนกุศลเหล่านั้นเอาไว้พระพิสุกลุ่มนี้ไม่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นทําไมท่านมัวแต่ไปจาริกกับพระแบบนี้อยู่เธอมัวแต่จาริกไปเหยียบย่ําเข้ากล้ามัวแต่จาริกไปเบียดเบียนตระกูลคลนะ้ายๆกับว่าพระไม่ได้พาพระเนื้อนาบุญไปอะนะ เขายอมเขาเลี้ยงกับมันค่ายกับว่าไปเบียดเบียนตระกูลเขาอ่ะอานน์ผู้มีอายุบริษัทของเธอย่อมหลุดลุ่ยไปสัพทิวิหาริคของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่ย่อมแตกกระจายไปเธอนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณว่ากล่าวว่าพระอาโน์เนี่ยเป็นเด็กเลยนะไม่รู้ประมาณอะไรเลยเขาบอกว่าทําไมจึงว่าเป็นเด็กอ่ะเคยได้ยินสำนวนกันว่าครบเด็กสร้างบ้านครบเด็กมากๆเดี๋ยวก็เป็นเด็กฉัได้ ท่านนเนี่ยเที่ยวไปกับพระเด็กๆมากพระหนุ่มเน้นน้อยสัส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ท่านนี่อายุ80แล้ว80กว่าด้วยแหละย่างแต1แล้วแต่ท่านเที่ยวกับไปกับพระเด็กๆพระอายุ 17-18 เนนอายุ 17-18 มั่งพระหนุ่มพรรษา 1, 2พรรษาก็ 21, 22อะไรเงี้ยไปเที่ยวกับพระเหล่านั้นมากๆเข้าพระมหากระสปะเลยบอกว่าเด็กเธอนี่ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณพระนนก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ บนศรีรษะของกับผมเนี่ยผมหงอกแล้วไม่ใช่หรือผมนี่หัวหงอกเลยนะถึงอย่างนั้นพวกกับผมก็ยังไม่พ้นจากท่านพระมหากรสปะว่าเป็นเด็กโอ้ยยังถูกว่าเด็กเอกเนี่ย พ, พระผหมากกรสปะก็กล่าวว่าก็เป็นจริงอย่างนั้นอานน o ์ผู้มีอายุเธอยังไปเที่ยวกับภิกษุใหม่ๆเหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบความเพียรเธอมัวแต่จาริกไปเหยียบย่ำเข้ากล้ามัวแต่จาริกไปเบียดเบียนตระกูลอานนท์ผู้มีอายุบริษัทของเธอย่อมลุยหลุดไปสัตธิวิหาริษของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่ย่อมแต่กระจายไปเธอนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณสำทับอีกรอบสองงั้นเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังถูกดุอีกนะ เจนพรอตอนนี้ยังยังเป็นพระโสดาบันอยู่อ๋อยังเหรอฮะยังเป็นพระโสดาบันพระภู้มีพระพพ <S <S ปรินิพพานแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าท่านจะเป็นพระอราหันต์ตอนที่จะทาสังขานาช่วงนี้ยังไม่ได้ทําอ๋อยังไม่เป็ น, นใช่ไหมเจนพรยัง